ทศพลยานยานที่ห้านาณาทิมุติกยานปรีชากำหนดรู้อธิมุติคืออธัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นต่างๆกันยานข้อนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งถึงอธัธยาศัยของคนทั้งหลายตลอดทั้งของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายด้วยเช่นเมื่อต้องการที่จะทรงทราบว่าคนคนนี้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 และจักรยานข้อนี้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นนักจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมที่สุดจึงได้ชื่อว่าเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าหมายเหตุผู้อ่านส่วนตัวแล้วก็มีโอกาสได้เจอคนที่ทำได้จริงทั้งพระและคารวะนะครับซึ่งขณะคุยกันแม้ทางโทรศัพท์ ก็สามารถรู้ได้ว่าเรากำลังคิดอะไรและแม้แต่คุยกันในอินเทอร์เน็ตสามารถทำนายย้อนหลังได้ด้วยว่าขณะที่พิมพ์ไปนั้นจิตมีความคิดถึงอะไรบ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่ฝึกจิตถึงระดับและมักจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่มุ่งเน้นเพื่อความหลุดพ้นไม่ได้เอาความสามารถเหล่านี้มาสแสวงหาผลประโยชน์เพราะถ้าจิตมีความโลภลเายานพิเศษมาหากินนั้นโดยมากไม่นานยานก็เสื่อมนะครับ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 แต่ถึงกระนั้นการศึกษาแบบนี้ก็ยังนับว่าเป็นวิธีทางอ้อมคล้ายกับคนตาบอดเรียนหนังสือโดยใช้มือสัมผัสหรือคนหูหนวกเรียนเรื่องการพูดโดยอาศัยการดูแต่สำหรับพระพุทธเจ้าวิธีอย่างที่นักจิตวิทยาใช้พระองค์ก็ทรงทราบเป็นอย่างดีแต่เนื่องจากวิธีนี้ไม่อาจจะทาให้เข้าใจจิตใจได้อย่างละเอียดทีถ้วนตามความเป็นจริง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 ผู้ที่จะเป็นนักสอนศาสนาในเมื่อตอนเองไม่สามารถจะระลึกชาติได้ไม่สามารถจะอ่านใจคนอื่นได้ก็เป็นการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนจิตวิทยาให้เข้าใจดีและต้องมีความรู้ทางสังคมอีกด้วยการสอนศาสนาจึงจะได้ผล